เทศวันพระภาคคัมที่วัดภูหินดังเมื่อวันที่4ธันวาคม2545เทศเรื่องชีวิตประเสริฐโดยพระมหามงกลปัญญาวโรปกติแล้วชีวิต ที่เรียกว่าชีวิตสูงมันสูงด้วยอะไรชีวิตประเสริฐประเสริฐได้เพราะ อ, อะไรถ้าพูดง่ายๆว่าชีวิตมีอะไรจึงเป็นชีวิตที่ดีชีวิตมีอะไรหรือจึงเรียกว่าชีวิตนั้นประเสริฐถ้าลำลังหายใจได้เดินได้ มีชีวิตทั่วทั่วไปอย่างนี้ยังไม่ใช่ชีวิตที่ดียังไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นการเดินได้การหายใจได้เป็นต้นชีวิตอย่างนี้บางทีก็เป็นชีวิตที่ไร้ค่าเป็นชีวิตที่ต่ําต้อย เป็นชีวิตที่เร็วตามก็มีเพราะคนที่เร็วหรือตาต้อยเขาก็หายใจได้เหมือนกันฉะนั้นการหายใจได้เดินได้จึงยังไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนา ชีวิตที่เกิดมาแล้วควรจะสร้างชีวิตให้ดีให้ประเสริฐชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วควรจะสร้างชีวิตให้งดงามให้สูงส่งแล้วเราจะสร้างยังไงสร้างบ้านใหญ่โตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐไหม ถ้าคนที่ได้บ้านใหญ่โตแล้วแต่เป็นคนที่มีพฤติกรรมในทางเสียหายเดือดร้อนพฤติกรรมหมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านใหญ่โตนั้นทำอะไรออกมาทางกายเลวทรามหรือไม่ดีเช่นใช้กายเบียดเบียนคนอื่น ไปฆ่าไปแกงไ ป, งไปนัดไปนง่เหล่านี้เป็นต้นอยู่บ้านใหญ่โตแต่พฤติกรรมไม่ดีเป็นคนประเสริฐไหมมีชีวิตแท้แต่ไม่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาว่าไม่ประเสริฐถ้างั้นจะสร้างชีวิตแบบไหนถ้าบอกว่าสร้างบ้านใหญ่โตและยังไม่ประเสริฐถ้างั้นก็เรียนให้กเก่ง เรียนสูงสูงได้ใบ ป, ประกาศเยอะเยะจบด็อกเตอร์อย่างนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐไหมในทางโลกอาจจะถือว่าประเสริฐมุมหนึ่งอาจจะถือว่าประเสริฐแล้วเรียนสูงถึงขนาดนั้นเป็นถึงด็อกเตอร์แต่ในทางโรกวิทาศาสนาการมีความรู้สูงก็ยังไม่ใช่ สิ่งที่จะเรียกชีวิตว่าประเสริฐเพราะถ้าเราเรียนสูงสมมติว่าจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกแล้วนี่แต่ว่าทำชั่วพูดชั่วประพฤติทางกายทางวาจาชั่วช้าเลวซามก่อปัญหาเสียหายเดือดร้อนแก่ตัวเองประพฤติชั่วช้าเลวซาม ก่ความเสียหายเดือดร้อนแก่คนอื่นความระพฤติชั่วช้าเร็วตามอย่างนี้ถึงจะเรียนสูงก็ไม่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นเกิดมาแล้วก็อยากให้ชีวิตดีงามเอมันจะดีงามแบบไหนซื้อเสื้อผ้าสีสวยใช่ไหมจึงจะเป็นชีวิตที่ดีที่งามแต่งตัวเก่งๆใช่ไหม ไม่ท้งนั้นเลยะนะในทางพระพุทธศาสนานั้นชีวิตที่สูงเด่นชีวิตที่มีค่าล้ำเลิศชีวิตที่ชื่อว่าชีวิตประเสริฐต้องเป็นชีวิตที่มีหลักสำคัญอยู่ในตนสามประการหลักสำคัญเหล่านั้นถ้ามีอยู่ในตัวผู้ใดแล้วผู้นั้นชีวิตสูงเด่น ผู้นั้นชีวิตมีค่าผู้นั้นชีวิตรประเสริฐเอเกิดมาในชาตินี้ต้องอยู่หลายปีเราจะทำตัวเองให้สูงเด่นได้ไหมเกิดมาอยู่หลายปีเรียกว่าตลอดชาตินี้นี่เราสามารถทำชีวิตของตัวเองให้ประเสริฐได้ไหมได้หรือไม่ได้ต้องมีคุณสมบัติเพื่อหนึ่ง ต้องรู้ว่าหลักสำคัญสามประการที่มีอยู่ในตัวตนแล้วทำให้ชีวิตสูงเด่นทำให้ชีวิตสูงโดยค่าทำให้ชีวิตประเสริฐเราต้องรู้หลักสามประการนั้นก่อนจะพัฒนาตัวเองต้องรู้ว่าสามประการนั้นมันอะไรเมื่อรู้แล้วก็มีเก่ใจหมายความว่าฮึด ภาษาง่ายๆว่าหึดหรือมุกมานะใจหึดใจมุกมานะใจกตือรุนที่จะฝึกลให้หลักสามประการนั้นเกิดให้ได้ตายเป็นตายฉันไม่กลัวเหนื่อยเป็นเหนื่อยฉันไม่กลัวแม้จะลำบากฉันจะพยายามลักษณะนี้เรียกว่าใจสู้ใจมุกมานะถ้ารู้หลักว่าเอ๊ะ หลักสามประการนั้นมีหนึ่งสองสามสิ่งนั้นถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วเราดีแน่เราสูงแน่เราประเสริฐตามพระพุทธเจ้าว่าแน่แม้มีชีวิตทั้งทีก็ไม่อยากให้ชีวิตต่ำต้อยด้อยค่าไม่อยากให้ชีวิตไรค่าเสียศักดิ์ศรีที่เกิดมาไม่สามารถทำตัวเองให้มีค่าไม่สามารถทาชีวิตให้สูงให้ประเสริฐ ความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้เกิดลักษณะจิตใจที่มมกมนตะ์คํวมามมกมนต์นั้นเป็นลักษณะนนะเป็นสภาพจิตที่ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลาบากจิตไม่ท้อแท้สิ่งเหล่านี้สำคัญมากทีนี้เมื่อรู้หลักสามประการแล้วจิตมมกมนะแล้วหรือจิตฮึดแล้วนี่ ต่อไปก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติหลักสามประการนั้นปฏิบัติหมายความว่าทำให้หลักสามประการนั้นเกิดมีโดยวิธีการใดก็ตามทำยังไงหลักที่ว่าสามประการนั้นมันถึงจะเกิดขึ้นกับตัวเรามีอยู่กับตัวเราถ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นถ้าสามารถทำให้มีอยู่ในตัวเราได้ วิธีการทำทำยังไงเราลงมือทำแม้ทำยากเหลือเกินแต่เราไม่ถอยทำยากแต่ไม่ถอยทนทำฝืนทำฝึกฝนจนเก่งทำบ่อยๆจนชำนาญเมื่อชำนาญกลายเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นนิสัยติดแล้วถ้าหลักสำคัญสามประการนั้นติด ชีวิตเราสูงชีวิตเรามีค่าชีวิตเราประเสริฐแล้วที่จริงหลายคนสามารถทำชีวิตของตัวเองให้สูงได้สามารถทำชีวิตให้มีค่าได้สามารถทำชีวิ ต, ใ ห, าาวตให้ประเสริฐได้เพราะมันไม่สุดวิสัยนักเรอก แต่เกิดมาอยู่ร่วมกับคนนีถ้าจะทำให้ถูกใจคนบางทีก็ไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นวันนี้จะบอกวิธีทำชีวิตให้ประเสริฐเพื่อมีผู้ใดตั้งใจจะได้ไม่หลงทางแม้ชาตินี้เกิดมาตั้งหลายเดือนหลายปีอยู่ให้มันชีวิตแขวนโดยไม่รู้ว่าเอ๊จะยืนอยู่จุดไหนจะกำหนดวิถีชีวิตอย่างไรหนอมันถึงจะ เป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์หลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่พาสูงพาประริฐหลักเกณฑ์เหล่านั้นถ้าเราประพฤติแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่พาชีวิตให้มีค่าลำบากกับหลักเกณฑ์วันแล้ววันเล่าเหนื่อยกับหลักเกณฑ์วันแล้ววันเล่าเพราะหลักเกณฑ์เหล่านั้นทำให้ชีวิตเราประริอ ทีนี้วันแต่ละวันก็เสียเวลากับหลักเกณฑ์ น, นั้นเหนื่อยกับหลักเกณฑ์ น, นั้นอย่างนี้เรียกว่าเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องเหนื่อยกับเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตมันก็จะไม่โลงเพลงแม้จะเจอสถานการณ์อย่างไรสถานการณ์มันอยู่นอกตัวเราแต่ใจเราไม่ได้เปลี่ยนตามสถานการณ์เรายังยึดมันในหลักในเกณฑ์ น, นั้น ฉะนั้นจะบอกให้ชัดเจนเลยว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็อยากให้ทุกคนชีวิตสูงเด่นอยากให้ทุกคนชีวิตมีค่าอยากให้ทุกคนชีวิตในชาตินี้เป็นชีวิตประเสริฐแล้วท่านก็กำหนดว่าถ้ามีสิ่งสามประการต่อไปนี้ชีวิตสูงเด่นแน่ชีวิตประเสริฐแน่ถ้าใครมีหลักสามประการต่อไปนี้ อย่างเต็มเปี่ยมแต่ละอย่างเต็มเปี่ยมแต่ละอย่างเต็มเปี่ยมหมายความว่าสามอย่างนั้นเรามีเต็มเปี่ยมทุกอย่างก็เป็นอริยะบุคคลสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเรามีน้อยเราก็ประเสริฐรองลงมาแต่อย่างไรก็ดีถ้าสมมติว่าสามอย่างนั้นแต่ละอย่าง ให้คะแนนเต็มร้อยถ้าแต่ละอย่างเรามีสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เป็นคนประเสริฐไปแล้วครึ่งหนึ่งของพระอระหันต์แต่ถ้าเราไม่รู้หลักการเลยไม่ได้พยายามเลยในชาตินี้ก็หายใจไปวันๆกินข้าวทุกวันเปลืองไปทุกวันแต่ว่าไม่ได้ใช้การเวลาในการสร้างชีวิต ที่สูงที่ประเสริฐเขาเรียกว่าหายใจแต่ละวันกินข้าวแต่ละวันสิ้นเปลือนแต่ละวันไม่ได้รู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองประเสริฐะนั้นชาติในนี้ก็ไม่รู้วิธีมันก็เลยมืดตลอดชาติตายไปแล้ววิญญาณก็ไม่ได้มีอะไรที่ติดไปเพื่อความสูงความประเสริฐ ฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าชาติหน้าจะได้เข้าท้องคนหรือเปล่าวิญญาณ น, นั้นฉะนั้นน่าเสียดายแม้เราจะไปไม่ถึงร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าเราก้าวถูกทางแล้วด้วยตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงปัญญามันฉลาดจริงรู้จริงว่าชีวิตที่มีค่าต้องมีหลักสามประการเอ๊ะมันทำให้มีค่าได้ยังไง มองเห็นชัดเจนจนใจมันยอมรับวิเคราะห์เห็นชัดเจนว่าโอ้ถ้ามีสิ่งนั้นจะดีอยางนั้นยางนั้นประเสริอยางนั้นยางนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เราดีรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราประเสริฐเมื่อได้ทาได้ประพฤติสิ่งนั้นปลื้มใจขณะทำเลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยทั้งทั้งที่มันน่าเหนื่อย แต่ที่ไม่เหนื่อยเพราะใจมันภูมิใจว่ากำลังทำหลักการที่ดีที่สูงที่ประเสริฐถ้ารู้อย่างนี้อย่างแน่วแน่ในจิตใจแล้วจิตมันมันเกิดอธิษฐานบา ร, รมีคือมันจะมีความแน่วแน่ศรัทธามันก็จะเป็นอจฉรสัทธาคือเต็มใจที่จะทำโดยไม่โคลงเคลงไม่วอกแวกไม่ใจน้อย แม้จะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะแยกทันทีเพราะจิตมันรู้ว่าเราจะอยู่จุดนี้เราจะไปเส้นทางนั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวตัวปัญญามันจะแยกแยะของมันเองเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนกับคนมีน้ํำอดน้นําทนที่จริงมันเป็นเรื่องของปัญญาหมายถึงความฉลาดของจิตจิตที่ฉลาดคือจิตที่รู้จริงจิตที่ฉลาดคือจิตที่รู้ถูกต้อง ถ้าจิตมันรู้จริงรู้ถูกต้องเขาเรียกว่าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ถูกต้องแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ถูกต้องเ็าเรียกว่าจิตมันมีสังกับปะในมรรคแปดนะหลักแปดประการที่คนปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์นะทั้งแปดข้อนั้นเขาเรียกว่ามรรคมรรคมันแป่าเส้นทางทางเดินไปเป็นพระอรหรันต์ ทีนี้เราเกิดมานานอย่างนี้แล้วถ้าเส้นทางแปดทางนั้นเราดำเนินอย่างครบบริมูนเราก็เป็นอรหันต์ถ้าเส้นทางแปดทางนั้นเราพยายามเต็มที่แต่มันยังไม่สุดทุกทางเราก็เข้าลู่เข้าทางและรู้อยู่เสมอแม้ตายไปจิตก็ยังรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดวิญญาณที่รู้ถูกรู้ผิดไปเกิดชาติหน้าสัมมาทิฏฐิคือความฉลาดมันจะยังติดไป ไม่ได้เป็นอรหันต์ชาตินี้สู้ต่อไปในชาติต่อไปเพราะจิตมันเอาความฉลาดไปด้วยมันจะไม่ไปหลงภพหลงชาติมีบ้านโตมันก็ไม่ติดไม่ยึดไม่รุ่มหลงเหมือนพระพุทธเจ้ามีประสาราชาวังก็ไม่ติดใจมันไม่ติดพยายามจะหาผู้หญิงสวยๆมาแต่งงานจะได้คลั่งใยจะได้รับอย่างลุ่มหลง เรียกว่าเอาความสวยมาเป็นเครื่องมือมัดไม่อยากให้ลูกชายบวดใช่ไหมไม่อยากให้เจ้าชายจิตธัธาออกไปบวดแต่จิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่ติดไม่ลุ่มหลงเอาหญิงสวยๆมาป้อนรำป้อนรำอย่างดีค้นสวยป้อนรำสวยด้วย ไม่ติดเพราะตัวสมาธิผิดมันไปด้วยเอาหญิงสวยร้องเพลงกล่อมให้ฟังเสียงเพราะร่างสวยยึดไม่อยู่คนขนาดเป็นพ่อพยายามจะมัดลูกมัดตามระสาชาวโลกแต่ยังไงโลกก็มัดทำไม่ได้ ถ้าบรารมีสูงพอสร้างสะน้ำอย่างสวยสะชั้นดีเลิศเขาเรียกว่าสะโบครณีประดับสวยงามอยากลงเล่นเมื่อไรเรียกว่าโอ้โหเพิ่มไปกับบรรยากาศเพิ่มไปกับวิวที่แสนสวยพยายามเต็มที่ สุดกำลังที่คิดได้ว่าวิธีการไหนจึงจะผูกมัดไม่ให้ลูกชายหนีออกบวชเพราะมีลูกชายคนเดียวก็อยากจะให้ลูกชายอยู่เป็นคาราวะให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแทนฉันให้ได้ครองบ้านครองเมืองเป็นเกียรเป็นสีเป็นหน้าเป็นตาผู้เป็นพ่อนะคิดอย่างนั้นคิดตามปราสาโลกโลกเขาเรียกคิดแบบชาวโลก คือโลกนั้นต้องการความยิ่งใหญ่โลกต้องการความมีหน้ามีตาโลกอยากจะมีอำนาจเยอะๆเมา อ, อำนาจหลงอำนาจเสียพบเสียชาติเป็นเรื่องโลกโลกจมอยู่ในสิ่งเหล่านี้โลกจะจมอยู่กับยศล่าสุขสารสน จะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใจแบบธรรมดาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเขาเรียกว่าใจแบบแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าฝึกใจให้ธรรมะเกิดขึ้นกับใจคิดอย่างธรรมะรู้แบบธรรมะธรรมะเป็นใจใจเป็นธรรมะเหมือนเอากล้วยไปบวชชี ความมันของกะทิมะพร้าวก็ซึมเข้าในกล้วยความหวานของน้ําตาลก็ซึมเข้าในกล้วยแยกไม่ออกมันซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อธรรมะมันซึมเข้าสู่จิตอย่างแน่นแฟน้นกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกันมีธรรมะครองใจอยู่ตลอดรู้สึกอย่างธรรมะเห็นอะไรก็เห็นแบบใจคิดอย่างธรรมะ ฟังอะไรก็ฟังแบบใจมีธรรมะจะเกี่ยวข้องกับคนก็เกี่ยวข้องแบบใจที่รู้จักธรรมะอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะมีอยู่ในใจตลอดจิตที่มีธรรมะอยู่ตลอดนั้นเขาเรียกว่าจิตเป็นภูมิจิตภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมนั้นมันเกิดได้ที่จิตอ่านธรรมะพิจารณาไถ่ควรจนลึกซึ้งฟังจิตฝังใจก็กลายเป็นภูมิธรรม ภูมิจิตภูมิธรรมลักษณะหนึ่งเหมือนกันสิ่งดีถ้ามันฝังอยู่กับใจกรเราภูมิจิตภูมิธรรมแต่สิ่งดีมันเยอะแยะความเมตตาก็เป็นความดีทําไงมันจะฝังไว้กับใจความอดทนใจที่บึ้งบืนใจที่ต่อสู้ใจไม่ท้อแท้ใจไม่ขี้แบกทํายังไงมันถึงจะฝังไว้เป็นนิสัย มันเยอะฉะนั้นการสร้างบารมีมันจึมยากเพราะกว่าแต่ละอย่างจะติดกว่าจะสมบูรณ์แบบกว่าจะเต็มร้อยความดีมันจำเป็นกี่อย่างกี่อย่างที่จาเป็นต้องให้มีครบต้องให้มีหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าเต็มบารมีเต็มอย่างพวกเรานี้ถ้าบารมีไม่เต็มก็ขอให้มันมากขึ้นมากขึ้นยังไงชาตินี้ต้องอย่าถอยให้มันมีบันไดขึ้น สูงกว่าชาตินี้อย่างให้บันไดหักบางคนนั้นบันไดหักเพราะมีมาพยนบางทีเกิดเป็นคนเพราะบุญเก่าพามาเกิดเทนี้พอเป็นเด็กก็สนุกในเรื่องการกินการเล่นภาษาเด็กพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็สนุกกับการกินการเที่ยว การระเริงการบันเทิงตามประสาหนุ่มสาวพอมีครอบครัวก็เลยยุ่งกับการหาใส่ปากใส่ท้องไม่พอปากไม่พอท้องก็ต้องดิ้นทุกวันลาบากทุกวันสู้ทุกวันสู้ไปสู้มาหมดแรงที่จะสู้เพราะอายุมากกำลังเหลือน้อยเลยพอแท้ภาระที่เลี้ยงลูก เอาไปเอามามีหลานตามมาอีกดิ้นไปอีกดิ้นเพื่อตัวเองและดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลานดิ้นไปดิ้นมาเลยหมดพบหมดชาติยังไม่ได้ดิ้นเพื่อตัวเองยังไม่ได้ดิ้นเพื่อบุญเพื่อบารมียังไม่ได้มุ่งที่จะขุดผลหลักสําคัญที่จะทําให้ชีวิตประเสริฐเลย อย่างนี้เรียกว่าบันไดผักคือเกิดเป็นคนนี่มันบันไดขั้นสูงแล้วข้ามสัตว์นรกมาข้ามเปรดมาข้ามสุรกายมาข้ามสติรัชฌานมาถึงขั้นมนษุษย์น่าจะข้ามต่อไปว่าชาติหน้าขอเป็นมนุษย์ชั้นดีกว่านี้มนุษย์ที่ประเสริฐกว่านี้สะดวกสบายกว่านี้ มีผัวดีกว่าชาตินี้มีเมียดีกว่าชาตินี้มีลูกมีหลานดีกว่าชาตินี้ถ้ายังเป็นคนแต่ว่าดีสะดวกสบายกว่าเดิมรวยกว่าเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าบันไดไม่หักยังก้าวต่อไปอยู่หรือติ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วไปเป็นเทวดาในหกชั้นนั้นจะเป็นชั้นไหนก็าตามตั้งแต่ชั้น จะตมมหาราชิกาจนพระนิมิตวสวัสดีเป็นชั้นสุดท้ายในหกชั้นนี้จะเป็นอะไรก็ตามถือว่าเราก็ยังบันไดขึ้นสูงอยู่หรือจะมีความสุขที่ละเอียดประณีตกว่าเทวดาก็ถึงขั้นเป็นพระพรหมพระพรหมในยี่สิบชั้นนั้นก็ถือว่าก้าวขึ้นไปสูงหรือเกิดเป็นมนุษย์ปฏิบัติดีมากจนกิเลสหมด ถือว่าสุดยอดสุดยอดเหนือเทวดาสุดยอดเหนือพระพรหมนี่คือลักษณะวิถีไปของวิญญาณหรือวิถีไปของภพชาติของชีวิตบันไดหักหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าอุาตสาหไตมาข้ามมดข้ามแมงข้ามใบยภบู่งตี ไม่ได้เป็นหมูหมาเป็ดไก่ไม่ได้เป็นอสุรกายสัตว์นรกหรือเปรตแล้วข้ามมาตั้งเยอะแต่ไม่ได้มาต่อบุญเลยชาตินี้ชาติก่อนนี้สร้างบุญอะไรหนอถึงมาได้เกิดเป็นคนหรือว่าพ่อแม่พาเข้าวัดหรือมีเพื่อนดีหรือเคยบวชแล้วมีนิสัยติดมาทุนนั้นแหละเอามาใช้อยู่พอมาเกิดเป็นคนปับ๊บบางทีก็ลืมชาติ เพราะตัวเองเรียนเก่งก็เลยเรียนเรีย น, ยนจนเป็นใหญ่เป็นโตบางทีก็กลายเป็นทิฏฐิเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนหลงอำนาจหลงบริวารทำความดีไม่เป็นแพทคนไม่เป็นเสียเปรีย บ, ยบใครไม่ได้คนระดับฉันมันต้องไม่ม้อใครเอาไปเอามาเลยบันไดหักหักเพราะยศก็มีหักเพราะความรวยก็มีรวยมากบางทีก็ ฉันไม่สร้างความดีก็ไม่เห็นเป็นไรขนาดฉันไม่เข้าวัดฉันร่งรวยเลยไม่รู้หรอกว่าความรวยนั้นมันเป็นผลที่เกิดมาจากอะไรเป็นเหตุไม่รู้หรอกว่าบุญส่งมาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยนั้นตัวเองทำอะไรมาชาติก่อนมีอะไรมาปิดบังทาให้หลงเคยทาแต่บุญทาแต่ทานก็เลยเกิดมารวยแต่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมก็เลยเกิดมาหลงทีนี้ มีทรัพย์ก็หลงทรัพย์ไม่มีความฉลาดพอเลยติดเงียมียศก็หลงยศว่าคนระดับชั้นนีโ่โหยศชั้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันเหนือนพวกเองนี่บางทีก็เคยฟังเทศอ่านธรรม ะ, ะฉลาดมากเกิดมาบางทีฉลาดแต่ไม่เคยสงเพราะไม่เคยเอื้อเฟื้อใครบางทีก็เลยกลายเป็นเกิดมาบางทีก็ ปัญญาดีรู้จะคิดแต่ก็จนขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้บารมีโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าทำบันไดให้หักเลยอย่าน้อยที่สุดให้รู้สึกภูมิใจว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมัน้นระบายยภูมิแล้วรักษาระดับให้ดีให้มีความรู้สึกอย่างนี้ชีวิตที่ประเสริฐต้องมีหลักสามประการนั้นคืออะไรทีนี้มันจะได้กัดฟันเราหน่อย ต้องใช้คำอากัดฟันเพราะมันต้องฝืนโลกฝืนกระแสฝืนจิตเดิมเดิมสามประการนั้นคือต้องทำชีวิตโดยการทำการพูดนั้นให้อยู่ในกรอบของความดีประการที่หนึ่งว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรทำด้วยกายพูดด้วยปากจะพิถีพิถันจะกลั่นกรองจะเพียดให้ท้วนที ทำออกมาพูดออกมาโดยผ่านการคิดดีแล้วจึงได้ทำสิ่งนั้นใช้ความฉลาดคิดดีแล้วใช้สตริรอบคอบดีแล้วจึงพูดสิ่งนั้นการทำดีการพูดดีคือแบบไหนคือการที่ทำอะไรพูดอะไรแล้วเราเองจะได้นิสัยดีขึ้น ถ้มองที่นิสัยซึ่งติดข้างในหรือทําอะไรพูดไปแล้วไม่เสียหายแก่คนอื่นนั่นมองนอกตัวในตัวเราก็ไม่เสียหายคือได้นิสัยดีทีนี้ทําดีอะไรพูดดีอะไรก็เป็นดีกับงานที่เราทําดีพูดดีนะและงานไปเกี่ยวข้องกับคนคนก็ได้ประโยชน์จากการทําดีพูดดีของเราใช้ชีวิตพยายามให้ดีอย่างนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าศีล ต่อไปข้อที่สองคนกายวายจาจะนีเข้าสู่ข้างในชีวิตจะสูงจะประเสริฐได้ข้อแรกคือภายนอกกายกับใจนี้อยู่ในกายกับวายานี้จะทำจะพูดอะไรออกมายึดศีลเป็นเกณฑ์ยึดศีลเป็นกรอบข้อที่สองด้านจิตใจที่นี้สมาธิ ลักษณะสมาธินั้นที่จริงน่าเห็นใจคนที่เขาเขียนหนังสือน่าเห็นใจคนที่พยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปกติแล้วจิตใจมันน่าจะมีสมาธิกับปัญญาเทนี้คําว่าสมาธิหนึ่งตัวหนังสือเขาเขียนว่าอย่างไงเขาอธิบายว่าไงคําว่าสมาธิ ไม่ต้องไปติดตัวหนังสือมากเพราะคนที่จะเอาสิ่งดีๆในใจออกมาเขียนเขาก็ลําบากใจเหมือนกันการฝึกจิตใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธินั้นที่จริงเขาฝึกให้สงบเพื่อให้เรามีความระลึกได้คือถ้าใจมันฟุ้งหนิสติ๊ความระลึกได้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความคิดมันกระปริดกระปรอยกระเจดิดกระเจิงมัน ก ร, กระเซ็นกระเซนไปเขาเรียกความคิดมันตเตลิดเปิดเปิดแต่ถ้าจิตมันรวมตัวได้นี่ความคิดมันไม่แตกกระต้านกระเซ็นไปมันรู้ตัวอยู่เฉพาะเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกสติมันจึงมีพลังปกติการฝึกสมาธินั่นเขาต้องการให้เกิดความสงบเพื่อให้สติมันแก่กล้าอย่าสงบแบบด้านๆอย่าสงบแบบดือด้อๆแบบทือค สงบแล้วไม่ฟงแล้วสติมันก็สมบูรณ์สตคิคือตัวตัวที่รู้สึกตัวเดินก้าวซ้ายก้าวขวาก็รู้สึกตัวอย่างนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นผลของสมาธิอย่างพระอย่างนี้เดินเป็นสะบัดก้าวซ้ายก้าวขวาไม่ต้องบอกว่าซ้ายขวาหรอกแต่ความรู้สึกเราเหมือนกับมัดไว้กับเท้าก็ะดเวลาเดินไปรู้สึกตัวอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นการไม่ใช่เดินแต่ เ, เท้า แต่สติอยู่ด้วยสติไม่ได้อยู่นอกตัวให้มันอยู่กับตัว น, นานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบรรยายยากแต่ขอให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอ่านหนังสือก็อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าสติมันอยู่กับเรื่องที่เราอ่าน